พหมาไม่จำเป็นจเพึ่งอดจะพิ่งอดข้าวอยาเพึ่งอดอาหารเรามาดูมาท ร, รมาฝึกหัดข้อวัดอะไรต่างๆซะก่อนให้มันให้ข้อวัดมันคงที่ซะก่อนอดสักเท่าไรก็ได้สิบห้าวันก็ได้เลยนะสามเดือนอดสักเดือนหนึ่งก็ยังได้เลย เรามาดูมาทำอะไรห่ผมผ้าห่มลายไปบินทบาดไปอะไรให้มันคล่องตัวซะก่อนเป็นไงสวดมนต์ได้ไหมสองนี่สองคนนี่ไ ด, ได้เหรอไม่ได้ยินเสียงอ่ ะ, อะนะสวดมนต์นี่ขลังนะอะเป็นธรรมะที่พพุทธเจ้าท่านแสดงลง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 ที่พมา่านะเขายังมีการเรียนพระไตรปิฎกจนทุกวันเนี่ยมีการเรียนมีการสอบสอ บ, นนอสอบชั้นนั้นเอาผ่านสอบชั้นนั้นเอาผ่านบางคนจบนะพระไตรปิฎกเนี่ยท่องปากเปล่าเนี่แหละไม่ใช่ไปเรียนสอบเอาชั้นเอาภูมิเฉยนะเรียนท่องจําปากเปลา่านี่เหมือนเราท่องปฏิโมกเนี่ยอย่างพระเราท่านกระกษงจําพระวินัยปิฎกปิฎกปิฎ ก, กหนึ่งเลยนะเนี่ยนี่สวดปฏิโมกเนี่ย พระที่ท่านจำได้ท่านสวดเนี่ยนี่คือปีดกหนึ่งดูที่สวดฟังไม่ทัน น, น่ะนะต้องเป็นชั่วโมงอ่ะน่ปีดกหนึ่งศิลสองรอยิบเจ็ดจำได้หรือไม่ได้จำได้เท่า น, นั้นแหละสวดมนต์ยาวๆเนี่ยท่องเรื่อยๆจำได้การท่องสวดมนต์นี้ขลังนะทำให้จิตเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบ ได้เป็นอย่างดีเพราะมนีนี้มันเป็นคาธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นคาที่ท่านเรียบเรียงไว้ดีแล้วมันไม่เหมือนกับความนึกคิดเลื่อยเปื่อยของเราน่คิดนูนคิดนี้คิดทุกคิดยากคิดลาบากคิดโลบคิดหลงคิดสารพัดคิดเสร็จแล้วก็เอาทุกข์มาให้ตัวเองคิดเสร็จแล้วก็ให้ทุกข์เอาทุกข์มาให้ตัวเองอันนี้เป็นความคิดอย่างเป็นระเบียบ ที่บราณอาจารย์ท่านเรียบเรียงไว้แล้วเ อ, เอาคาสอนของพระพุทธเจ้านะ่มาเรียบเรียงเอาไว้บางบางปาฐะบางปาฐะเช่นอย่างเขาเรียกว่ามุขปาฐะมุขปาฐะมุขปาฐ ะ, าะนี่นี่เป็นคำสอนออกจากปากของพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยนะ <c oughs> แต่บางบทท่านก็นเรียบเรียงขึ้นมาเช่นอย่างธรรมจกักรนี้อาทิตย์อนัตต์นี้ ท่านก็เรียบเรียงจากที่ทรงจําต่อต่อมาเช่นอย่างสมัยทำสังขายนาครั้งที่หนึ่งนี่พระอนอนท์เป็นคนตอบพระสูตรอ่าพระอนอนท์เป็นคนตอบพระสูตรพระมหากษัตริยเป็นคนถามพระอานอนท์เป็นคนตอบพระสูตรเราจะเห็นว่าเอวัเมสุตังเอกังสมยังภักขวาอันเข้าไปเจ้าพระอานอนท์ได้ฟังมาแล้วได้สดับมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ บทไหนที่เป็นยังงั้นเนี่ยจะเป็นพระอานนท์เป็นคนตอบนั้นแหละเขาก็เลยเอาคำเหล่านี้มาจดจารึกธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าจึงสืบเนื่องต่อมาถึงพวกเราเราพวกเราโชคดีมากเราได้เห็นได้ประสบพบเห็นได้ยินได้ฟังเราดูให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามาท่องมาจำแล้ว้าเรารู้คำแปลด้วยก็ยิ่งดีคาแปลเช่นอย่าง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 มันสงบอยู่กับอาการสาสิบสองนี่แหละนี่มันเป็นการสงบอย่างได้อุบายได้วิธีพิจารณานี่ที่อาการสาสิบสองอาการสามสสองของธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินยี่สิบธาตุน้ำสิบสองรวมเป็นอาการสามิบสองนี่ธาตุดินกับธาตุน้ําท่านมาแยกละเอียดอีกนะธาตุลมธาตุไฟ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 ตัวที่ไม่ไม่ไม่ได้สมมุติขึ้นก็คือตัวที่ออกมาเป็นเส้นดำดำเนี่ยนะคนไทยเราก็ว่าเป็นผมคนจีนก็ว่าเป็นอะไรคนฝรั่งเขาก็ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้และจะสมมุติเรียกกันไปแต่มันมีสภาวะอย่างหนึ่งมารองรับคําเรียกเราอยู่ธาตุ ด, ดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟท่านให้ดูอย่างนี้เนะนี่ยกรรมฐานท่าให้พิจารณาอย่างนี้ธาตุน้ําก็คือน้ําดีน้ำเสเลดน้ำเหลืองน้ําเลือดจนถึงน้ำหมุดน้ําขู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 ท่านไม่ได้ทําอะไรโอ้มันกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์ทําไงก็กรรมของสัตว์อืเขาเกิดมาเพื่อสนองเวรสนองภยัยสนองกรรมกันโตมาตโตมาต่อม า, อม า, อมาเห็นไหมก็เลยตั้งชื่อให้อชาติศัตรูบอกเป็นเป็นผู้เป็นผู้เกิดมาเกิดมาไม่ใช่ศัตรอูอชาติอาชาติศัตรูเป็นผู้ไม่มีศัตรูเป็นผู้ไม่มีศัตรูไม่มีเวรไม่มีภยัย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 ในการ์ตูนพุทธประวัติเนี่ยพูดตอบโต้กันดีในที่สุดก็ใช้อุบายว่าตัวเขาเองจะพยายามปลงประชนมพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเสเองแต่ก็ขอให้เจ้าชายเนี่ยปลงพระชนมของพ่อจะได้เป็นกษัตริย์เพราะตอนนี้พ่ อ, อยังอายุยังน้อยอยู่ราโอกาสให้พ่อตายไปเนี่เมื่อไหรเราจะได้เป็นกษัตริย์สักทีหนึ่ง เราต้องปรองระชนพ่อแล้วขึ้นครองราชก็เลยเชื่อพ ร, ระเทวทัตเชื่อพอเชื่อพระเทวทัตอาชาติศัตรูก็น่าจะน่าจะมีกําลังด้วยมีบริษัตวบริวารก็เลยให้จับพระยาพิมพิสารนี่ขังจับพระยาพิมพิสารขังทีแรกก็ให้เอาข้าวปลาอาหารไปให้เสเวย อ, อยู่ ต่อมาต่อมาโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้มันนานตายนานตายเลอ ะ, ะเกินก็เลยไม่ไม่ให้ไปเยี่ยมด้วยม่ให้เอ า, อาหารไปให้ด้วยไม่ให้เข้าไปเยี่ยมด้วยถึงกะนั้นก็ตามนางเวเทหีนี่ก็ได้เวลาก็ไปเยี่ยมบ้างอ่ายังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมได้บ้างเอาข้าวละเอียดทาตามตัวไปแล้วก็ให้พระเจ้าพิมพิสารนี่เรียเอารสชาติของอาหาร ขังถูกขังอยู่ในคุกจับพ่อตัวเองไปขังอืต่อมารู้ว่ามีอยู่อย่างนี้ไม่ให้เยี่ยมพอไม่ให้เยี่ยมพ ร, พระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นอยู่ด้วยการเดินจงกลมนั่งภาวนาเดินยองกลมนั่งภาวนานะก็เลยให้เขาไปดูว่าเอ๊ท่านมีชีวิตอยู่ยังไงว่าท่านเดินเดินนั่งนั่งนั่งย ง, งเดินจงกลมนั่งภาวนาอยู่นั่นแหละก็เลยสั่งให้ช่างกะระบอกไปปาดเท้า ปาดพระบาทนั่นแล้ว เ, เกลือทาโอ้ยเราดูที่คนมนุษย์นี่มันร้ายกาศไหมมนุษย์นี่ไร้ายกาศหรือไม่ร้ายกาศปาดเอามีดโกนปาดแล้ว เ, เกลือทาแล้วเป็นไงโอ้โหปองก็เดินไม่ได้สิก็เหียวลงเหียวลงเหียวลงไม่นานก็ตายสวรรคตวันเดียวกันนั่นแหละอืม เป็นวันที่ไอชาติศัตรูเนี่ยพระราชโอรสคนแรกเกิดอามาดก็เลยจเจ้าเรื่องมาม า, ม า, มาทูลพอตอนนี้ตอนนี้จับพ่อขังเจ้าของก็เป็นใหญ่เลยเด้จับพ่อขังเจ้าของก็เป็นใหญ่ปกครองแทนแล้วเขาก็เลยมามากล่าวเอ๊จ ะ, จะจะจะทูลเรื่องอะไรก่อนจะทูลเรื่องพ่อสวรรคตก่อนหรือจะทูลเรื่อง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 นี่เขาว่าลูกบางคนนี่มาระลึกได้ต่อเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วลูกบางคนร ะ, ะ, ะลึกได้ต่อต่อเมื่อพ่อแม่ยังอยู่ยังได้ช่วยนู้นช่วยนี่ได้ลูกบางคนมาระลึกสำนึกได้ต่อเมื่อพ่อแม่ล่วงไปแล้วคือประเภทของลูกที่ที่ฉลาดมากฉลาดน้อยมันเป็นอย่างนั้นนะพระเทวทัตเอ้ยพระอาชาศัตรูก็เสีย อ, อกเสียใจมาตั้งแต่บัดนั้นหลยมา ก, ก็เลยไม่เป็นตาสบายอกสบายใจเลยอยู่แล้วอยู่ต่อมาพระเทว ท, ทัตก็ถูกแผ่นดินสูบซะอีกไอาชาตศัตรูก็ยิ่งทุกทรมานใจใหญ่เลยแหละใจใหญ่เลยแหละตอนนี้อ่าก็เลยปรึกษากับหมอชีวกปรึกษากับหมอชีวกหมอชีวกก็เลยพาไปกราบผู้ทีเจ้าผู้ทีเจ้าอยู่ที่อัมพวันเรามาคิดดูตอนนั้นนะอ่ะไอชาศัตรูเนี่ย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 ผู้ทีเจ้าปรินิพานเนี่ย อ, อ, อยู่ที่เมืองราชยคฤื้นี่พระเจ้าอาชาติศัตรูนี่เป็นกษัตริย์ครองเมืองราชยครื้แต่ผู้ทีเจ้าท่านไปปรินิพานที่เมืองกุสินารามันคนละเมืองเพราะเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงไม่ได้กล่าวถึงไม่ไม่ได้กล่าวถึงอาชาติศัตรูกล่าวถึงอาชาติศัตรูตอนที่พระสงฆ์ทำสังขยนา ที่เมืองราชครืดนั่นแหละนี่เราไปคราวที่แล้วเราได้ไปดูถ้าสัตตะบรรณะคูหาซึ่งเป็นที่ทำผทสมสังขยานามีพระเจา้ามีพระสงฆ์ร่วมทําำรำสังขยนาเป็นผทมสังขยนาห้ารอยโอคมีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นทําที่เขาเวพารบรนพจน์นี่เราไปเมื่อเราไปเดือนธันวาที่แล้วเราได้ขึ้นไปสูงนู่นอยู่ข้างบนตโปอธารามนั่นสูงมากเลย สมัยแต่ก่อนว่าทําสังขารนาอยู่บนนั้นแหละพระอรหันห้าร้อยองค์อยู่ในนั้นแต่ตอนนี้เราไปเหลือแต่เงืเ่อมเฉยๆเหลือแต่เงื้อนนาผาที่เป็นถ้ำเป็นอะไรน่าจะพังลงไปหมดแล้วแหละอแล้วก็เหลือแต่เป็นรูเป็นช่องเข้าไปคนก็ยังเริ่มสายศรัทธาพวกพระพม่า พ, พระอะไรไปสวดมนต์ไปอะไรอยู่ในนั้นเหมือนกับเสียงอึงอยู่ในรูนั่นะลึกๆเข้าไป น, นี่ที่เมืองราชครื้ มีพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นอุปธรรมอุปถาบทำอยู่เป็นเวลาถึงกี่กี่เดือนเจ็ดเดือนทำบทพมสังขยนาเนี่ยพระสงฆ์ห้าร้อยรูปพระยาพระยาอาชาติศัตรูเนี่ยอุปธรรมอุปถาอย่างสุดชีวิตจิตใ จ, จเลยวังเงินฝากเป็นฝากตายกับงานบุญงานคุณเลยแหละตอนนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงกล่าวคติของพระอาชาติศัตรูว่าไม่ได้ลงอาวีจีมหานรกเหมือนพระเทวทัตเพราะ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 ดฤดเดชไม่รุนแรงนักตามเราไม่ทันทีพเพล่ยทีพเพล่ยขยับพเพื่อยขยับพเพื่อยขยับพเพล่ยเหมือนกับสัตว์ที่มันมีกําลังก็มีเรี่ยวแรงโดดยงยงยงยงยงไปสุนัขตามไม่ทันแต่ตราบใดที่เข้าอ่อนแรงอ่อนลงอ่อนลงสุนักขก็ใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปสักหน่อย น, นึงก็งับ <c oughs> เนี่ท่านเปรียบเทียบเหมือนกรรำของใครของเราเนี่ยแหละถ้าใครทําความดีน้อยคนนั้นก็กําลังจะเริ่มตกละเหมือนกับษัตริย์ที่กําลังมันหมดนั่นแหละ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 ถวาปิดถวาลปิดกายปิดใจพรายัางพุทธศาสนาจึงมีคุณค่าสลับหมื้ใจคนที่เห็นคุณเห็นเห็นคุณของพระศาสนาเห็นโทษของความทุกข์ทรมานอยู่ในโลกศาสนาก็ย่อมมีคุณสลับคนคนนั้นเป็นโอกาสดีเป็นโชคดีเป็นโอกาสดี มีโอกาสได้ฝึกฝนได้อบรมอะไรเป็นเป็นสริอะไรเป็นมงคลอะไรเป็นอา่านเป็นธรรมเคารพรักเลื่อมใสศรัทธาตั้งใจฝึกฝนอบรมกวนขวายฝึกหัดเอาเป็นเอาตายเพราะสิ่งนี้เป็นสบียงเป็นทรัพย์ภายในทำได้มากเท่าไรตายแล้วไปด้วยกันทำได้มากเท่าไรเป็นของเราทั้งหมดตายแล้วไปด้วยกันทามากน้อยเท่าไร เป็นของเราทั้งหมดตายแล้วไปด้วยกันไปด้วยพลังของบุญของกรรมนี่แหละแต่ถ้าตรงกันข้ามก็จะไปด้วยพลังของบาปของกรรมไปทุกทรมานไปเดือดร้อนเหมือนอย่างพระเทวทัตเดือดร้อนนั่นแหละอยู่ในเวทีมหาลรก็เปรียบเทียบมีไฟสีทิศพุ่งเปล่าก็ใสแดงร้อยู่นั่นแหละตัวก็แดงร้เหมือนเขาเผาเหล็ก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 โอ้ไม่รู้เท่าไร่แล้วพระเจ้ามาเกิดตั้งกี่พระองค์เราก็ไม่มีโอกาสที่จะพบดอกมันจะไปฝังจมอยู่ในหลุมหลุมนรกนั่นแหะนี่จึงเป็นเหตุหน้ากลัวเราพออยู่สุขสบายอยู่บ้างก็เพราะอาศัยอํานาจบุญตั้งใจทำตั้งใจเสียสละอดหลับอดออดหลับอดนอนอาจจะเสียงเป็นเสียงตายอยู่บ้างแต่เพื่อบุญนี่ ดีกว่าเราไปเสียงเป็นเสียงตายเพื่อบาปวันนี้พอสมควรแก่เวลาะสามทุ่มพอดีเอาละเก้าครับปุ่นนี้พระเราก็มาอุโบสถหนาะพระใหม่ก็ดูดูแสดงอัปบัทเอาไว้แล้วก็มาหมายทันทีสีหัดลุก ใครอยู่ใกล้ๆผ้าไหมก็ไปเรียกด้วยไปเรียกกันด้วยถ้าเราไม่เรียกตอนนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วเราต้องวิ่งไปเรียกหนาะเสียเวลาเรามาแล้วก็บอกตั้งแต่ตอนนั้นเลยบอกแล้วก็คอยดูอยู่นั้นแหละเพราะบางทีเรียกขานอยู่อาจจะหลับต่อก็ได้ช่วยดูกันใครอยู่สายไหน ใครอยู่สายไหนก็บอกกันมันเป็นช่วงที่ระหว่างเราปรับตัวมันเป็นธรรมดาบางทีการหลับการนอนมันไม่ถูกเวลามันก็ลาบากกันนะคนที่เคยฝึกมาแล้วมันก็อยู่สบายอยู่ได้สบาย <c oughs> สมชายได้ยินสมชายเขาจะมารับพระเนี่ยฮะ เขามารับจริงๆทำไงนี่ฮะฮะตัวลกพระเราทั้งหมดนี่เท่าไหร่เท่าไหร่ใครได้นับบ้างฮะสามสิบห <35 S 1> <35. S 2> ้าลสงสัยเพื่อนขาดพระหนึ่งองค์แล้วเพื่อนกำลังทำศาลาด้วยเพื่อนคงจะอยากได้กระถิ่นนะ ทำไงทาไมคิดง่ายปีนี้มาให้ท่านสาธิตขอพระให้นะเราแต่ไหนแต่ไรเราก็ไม่เคยคิดจะให้พระไปนู่นไปนี่นะนี่ตั้งแต่มารับฟัดหมอปิโยรถี่ก็เลยให้พระไปอา้าวเห็นทางนู้นไปทางนี้ก็ขอบ้างนี่ปีที่แล้วในอำเภอมาขอเนี่ ปีแล้วก็ไม่ไม่พอพอปีนี้อ้าวขออีกอยู่นน้นปีนี้ปีที่แล้วก็ก็ไม่พอมันก็ไม่อยู่มันจับปูใส่กระด้งมันก็ต้องเอาไปอีกถ้าเป็นอย่างนี้ทุกปีทุกปีก็ไม่ไหวนะมันผิดธรรมเนียมหลวงตาหลวงตาท่านไม่เคยให้ใครไปไหนไม่ให้ไปนะ แม้แต่เราบรรพชนมาขอไม่รู้เท่าไรแหละตอนหลวงปู่เขียนอามาพาสเนี่ยท่านก็ไม่บอกให้ไปนะให้พิจารณาเด้เรามาศึกษาแล้วน่ยนี่เขามาขอหลายครั้งแล้วเนี่ยให้พิจารณาเด้อนะเรามาศึกษาแล้วท่านพูดแค่นี้แหละ <laughs> ไปก็เรื่องของเราไม่ไปก็เรื่องของเราโอ้โหโอ้ทีสย่ยวงตาเป็นงั้นแหละท่านเอา ปรีปทานหลวงปู่มา่นั่นแหละหลวงปู่มัไ ม, มไม่เคยใครไปไหนดอกตันว่างั้นะ่ะให้เราทําไมมันเป็นอย่างนี้ดูไปอีกทีก็สงสารเหลือเกินหมูเน่ะหาแต่พระแค่นั้นก็หาอยากกว่าของอะไรตามร้านค้าน่ะร้านค้ามีเงินมีทองไปซื้อเอาซื้อเอาเท่าไหร่ก็ได้เอารถไปขนเอาเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่มีอ่ะหาอยากกว่า แกเว้นเงินทองอีกนะแต่บางองค์ท่านก็ไม่กระตือร้อนไม่เดือดร้อนอยู่นหนึ่งองค์สององค์สามองค์ท่านก็อยู่ของท่านไปแต่บางองค์ท่านจําเป็นเน่ยเหมือนอย่างท่านสวยเนี่ยพอดีท่านสวยปีนี้เขามีนาคสองเาบวชไปแล้วก็จะเป็นหกไม่งั้นจะคาคอเราอีกแหละเพราะเราเป็นคนหาก็ถิ่นให้เขาท่านสวยก็ยังมีนาคสองนี่ยจะบวชวันพรุ่งนี้เนี่ยบวชสองก็เป็นหก เมื่อวานเขาไปเราว่าจะไปดูสลาเขาคิดว่าเขามุงเสร็จแล้วสลาเนะ่ะไปที่ไหนได้สังเขาเบื้องเขาเบื้องทํายังไม่เสร็จอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะ่ะถึงจะได้แต่คิดว่าเขาคงจะได้มุงจนได้ใช้นั่นแหละอ่าเพราะว่าช่างเขาทํายังค้างค า, าอยู่ลังคาอย่างน้อยสลาลัางคาเสร็จก็ได้พักได้ใช้กันโอ้เป็นหลังใหญ่พอสมควรอยู่นะสวยงามอ่ เป็นศาลาชั้นเดียวหลังคารวดเหมือนเหมือนของเร า, างี้แหละไปใช้เหล็กทียึบเลยเนี่ยใช้เหล็กทียึบเหมือนเราใช้มาอย่างงี้เลยเหล็กหน้าหกซะด้วยนะโอ้โหน้ำหนักไม่ธรรมดานะแต่เสาเขาห่างเสาห้าเมตรห่างกันห้าเมตรกว้างเทลายยาวเท่าไหรไม่รู้พระได้ยินว่าให้เขาแกะพระหินที่เมืองนู่นทีอ่อะไรเนี่ย ชลบุรีนะ่ยอ่างอะไรนะที่อ่างศิลาที่ชลบุรีเนะ่ยได้ยินว่าจะเสร็จธันวาโน่นเสร็จธันวาก็ไม่ทันกรถิ่นดอกเสร็จธันวาไม่ทันก็ไม่เป็นไรไอ้ชาวสิงคโปร์มาหลายหลยครั้งมามาทําบุญมาร่วมบุญอีกครั้งหนึ่งตอนพระก็ได้มาตอนกระถินก็ได้ สิงคโปร์เงินแพงอ่ะหนึ่งบาทเราหนึ่งหนึ่งดอเขาของเรายี่สิบกว่าบาทนะเงินแพงอ่ะยี 22, ิบสองยิบสามมั้งท่านท่านเจรต์กับท่านแขกผมก็ไม่ได้คุยเลยแหละเพระาะเมื่อวานก็ออกไปต่เช้ามืด